เราลึลถึงคุณงามความดีแล้วลึกถึงคุณค่าแห่งธรรมะที่ท่านได้แสดงที่ท่านได้อธิบายไว้ในรุ่นของก่อนๆโน่นแต่ที่เราไปอ่านเจอแล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วมันเกิดผลในด้านการปฏิบัติซึ่งก็ทำให้เราได้รู้ว่าธรรมะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนเวลาใดก็ตามเมื่อนำมาสู่การปฏิบัติแล้ว่มบงเกิดผลและนาผลนั้นให้กับบุคคลผู้ปฏิบัติได้จริง ทำย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วอันนี้เป็นสั จ, จธรรมในข้อความนี้กําหนดไว้ตายตัวว่าทำรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติทำไม่ให้ตกไปในที่ชั่วไม่รักษาใครต้องรักษาผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าใครไม่ปฏิบัติก็ไม่รักษาจะขอพึ่งทำแค่ไหนก็ตามหากคนนั้นไม่ปฏิบตัติทำมาก็ไม่รักษาทําไม่เกิดการรักษาเพราะทำมันจะรักษาเฉพาะผู้ปฏิบัติทำปรดุจดังบุคคลพูดกินข้าวหรือบริโภคอาหาร คนกินข้าวลงไปในในร่างกายตัวเราอาหารที่เรากินลงไปก็จะรักษาตัวเราเองอันนั้นเป็นสัจธรรมถ้าใครไม่กินข้าวต่อให้อยากจะกินแค่ไหนก็ตามข้าวอยู่ต่อหน้าต่อตาอาหารก็ไม่สามารถรักษาชีวิตคนนั้นได้คนนั้นต้องลงมือบริโภคกินอาหารเองทานอาหารเองอาหารนั้นถึงจะเข้าไปรักษาชีวิตเขาได้ทำเหมือนกันทําไม่ไดีมีไหมเพื่อสวดสาทยทายา ทำไม่ไดีมีไว้เพื่อแสดงออกไปแล้วให้คนได้ยินได้ฟังเอาบุญเอากุศลเอาอานิสงส์แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นทำเมื่อแสดงออกมาแล้วผู้รับรู้รับทราบรับฟังต้องนําไปสู่การปฏิบัติเมื่อนําไปสู่การปฏิบัติแล้วทํานั้นจึงจะมีคุณค่าเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาตัวเราไม่ให้ตกไปในที่ชัวคําว่วาที่ชัวมันที่ตรงไหนคําว่าที่ชัวมนุษย์เรามองไม่ออกว่า เราอยู่ในสถานะของความชั่วอยู่มนุษย์ในขณะที่ยังเป็นบุตรชนอยู่พร้อมที่จะเลวซามได้ตลอดหรือเป็นคนชั่วได้ตลอดหรือไม่เป็นคนชั่วแต่ก็ยังต้องแปดเปื้อนกับความชั่วในแต่และชีวิตของคนที่บังเกิดขึ้นมาดำเนินชีวิตมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงทุกวันนี้แน่นอนเลยว่าจะต้องมีการการทำความชั่วติดตัวมาตัวเองมาพวกเราก็มีชีวิตที่เพื้อนด้วยบาปมาตลอดแต่ที่นี้ เ, เรามีหลักธรรมเพื่อที่จะสอนให้เราค้นออกไปจากที่ชั่วอันนั้นคนทําชั่วไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นความชั่วตายตัวมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ท, ท, ทั้งหลายถ้าพวงเป็นอนัตตาไม่มีความตายตัวในสภาพนั้นไม่ว่าสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมคนดีก็ไม่ไ ด, ดีตายตัวคนชั่วก็ไม่ได้ชั่วตายตัวอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนกันได้คนทําดีสามารถกลับไปทําชั่วได้คนทําชั่วสามารถกลับมาทําดีได้นี่คือกฎแหงความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งบางคราวคนทําดี เขามีโอกาสเพื่ออํานวยในการที่เขาจะทําดีเขาจึงได้ทดําดีหรือว่าเกิดความละอายในพินกระทำดีอย่างเงี้ยบงคลทําความชั่วเขามีมีโอกาสที่จะได้ทดําดีสถานภา พ, สถ า, ภาพสถานการณ์บางอย่างบีบบังคับจนทําให้เขาได้ทําความชั่วลงไปเพื่อเอาตัวรอดบ้างเพื่อเหตุผลอย่างอื่นบ้างอย่างเงี้ยแต่ในวลาระในวาหนึ่งที่เขาสามารถมีจิตสาลึกได้รู้คุณค่าแห่งการทําดีลังเกียจความประพฤติชั่วของตน เขาก็มาสามารถตั้งมั่นอยู่ในความดีประพฤติอยู่ในความดีก็เป็นคนดีและได้ในวาระหนึ่งแต่กรรมตามให้ผลแน่เป็นเรื่องธรมรมดาอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งทีนี้หลักคำมีอยู่ว่าบุคคลผู้พูดปฏิบัติธรรมย่อมพ้นไปจากที่ชั่วคือพ้นไปจากความเป็นบุรุษชนนั่นเองเพราะความเป็นบุรุษชนพร้อมที่จะชั่วพร้อมที่จะดีได้ดตลอดแต่ดีกับชั่วก็มีเป็นของไ ม, ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่อนอนไม่คงที่ พระเจ้าจึงไม่ได้สอนเพียงแค่ให้เราประพฤติดีกระทาดีแล้วยึดดีอันที่เรากระพฤติกระทําแต่พระองค์ให้สอนที่สูงกนนคือเข้าใจหลักธรรมหลักธรรมคือหลักความจริงหลักความจริงจะอยู่เหนือดีหรือเหนือไม่ดีเพราะความจริงในถักหลักธรรมชาติไม่มีดีหรือมีไม่ไม่มีไม่ดีหลักความจริงคือหลักความจริงนันเป็นสัจจะสิ่งทพระงทรงตรัสสอนสัจจะหรือหลักความจริงก็มีอยู่ในตัวเราตัวพวกเราเองนี่แหละคือกายเรียกว่ารูปประคันความรู้สึกเรียกว่าเวทนาขัน การจำเรียกว่าสัญญาขันความคิดเรียกว่าสังขารขันวิญญาณการรับรู้เรียกว่าวิญญาณขันอย่างเงี้ยในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ประกอบมาด้วยขันทั้ง5แต่ชีวิตของเราที่มีอยู่อย่างรูปร่างกายตัวตนจิตใจของเราในเวลานี้ที่เรามีชีวิตอยู่เราติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะกระทาตอบต่อสิ่งที่เราเกี่ยวข้องอยู่ผัสสะเกี่ยวข้องด้วย เมื่อเรากระทำการติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ภายนอกเราจึงรับอารมณ์ภายนอกเข้ามาเป็นอารมณ์ภายในใจของเราทีนี้อารมณ์ภายในใจที่เรารับเข้ามานั้นเมื่อกระทบกับจิตเรามันจะก่อเกิดเป็นอารมณ์สองประการคือสุขกับทุกข์สองประการนี่แหละเมื่ออารมณ์สุขกับทุกข์ปรากฏขึ้นปั๊บมนุษย์เลยทั่วไปแล้วเนี่ยคือคนที่มีกิเลสแล้วหนึ่ง พอใจในสุขสปฏิเสธทุกทันทีเลยจะมีการกระทำตอบสนองต่อสองสิ่งนี้พอใจในสุขก็ผลขวายมาปฏิเสธทุกก็ไม่อยากจะเจอผลักดันออกไม่ต้องการอย่างเนี้ชีวิตของมนุษย์จึงมีชีวิตอยู่เพียงแค่ดําเนินไปเพื่อสแสวงหาสุขแล้วหลีกหนีความทุกข์แต่มนุษย์ก็ไม่เคยหลีกหนีความทุกข์ได้พ้นมนุษย์ก็ยังเจอความทุกข์อยู่เหมือนเดิมไม่สามารถหลีกหนีได้เมื่อมนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีได้ มันก็นเลยหาจุดจบตัวเองไม่เจอว่าเราจะไปพบความสุขหรือว่าสุขแพ้สุขท้าวรมันอยู่ที่ไหนหาไม่เจอไม่เคยเจอความสุขเลยตลอดชีวิตที่เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจหลักธรรมนั่นเองหลักธรรมนั้นสอนให้เราได้เข้าใจตัวเราคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณแล้วก็สิ่งที่รูปเวทนา ส, ญญาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไปเกี่ยวข้องขำผักคือโลกภายนอกที่เราจะต้องติดต่อเกี่ยวข้องด้วยติดต่อเกี่ยวข้องอย่างไรไม่ให้เกิดทุกข์ถึงอย่าง แน่นอนว่าเมื่อเราติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกแล้วสิ่งภายนอกมากระทบกันกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราหนหรือตั ว, ต ว, ตวเราเองกายกับจิตของเราเนี่ยเมื่อติดกระทบกันเข้าปั๊บเกิดเป็นอารมณ์สองประการคือสุขกับทุกข์สองอย่างเมื่อจะต้องเกิดอยู่สองสิ่งนี้เราไม่สามารถปฏิเสธสิ่งภายนอกได้ว่าไม่ให้มากระทบปฏิเสธไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับแล้วก็ปฏิเสธไม่ให้รูปแล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณหรือปฏิเสธไม่ให้กายกับใจของเรา ไปสัมผัสกับสิ่งภายนอกก็ไม่ได้อีกแต่เมื่อกระทบกันแล้วเกิดสุกกับทุกโภมบอกว่าเราบำปฏิบัติทำเนี่ยปฏิบัติอยู่ตรงนี้ตรงสุขกับทุกเนี่ยปฏิบัติยังไงสุขอย่าพึงพอใจทุกอย่าปฏเาิเสธมันโภมอะไอย่างเงี้ยอย่าพึงพอใจในสุขและอย่าปฏิเสธความทุกหากเราทําได้อย่างนี้เราจะเกิดสติเนื่องเพราะว่าสองประการนี้ทําให้เราติดอยู่เราวิ่งอยู่ในข้ามของความสุขมาตลอด คือปรารถนาความสุขแล้วไปใส่ใจไว้ในข้างความทุกข์ว่าไม่ต้องการนี่คือสมุทัยเป็นตัวเหตุซึ่งเราก็ไม่ทราบตัวเองพวงจึงบอกว่า1อย่าไปใส่ใจไว้ข้างของความสุขหรืออย่าไปใส่ใจในข้างของความทุกข์ว่าเราไม่ต้องการมันหรือเราต้องการแค่สุขตรงนี้เองอย่าไปใส่ใจไว้อย่างนั้นถ้าเราไปใส่ใจไว้อย่างนั้นมันก็เกิดโทษไงเพราะเราจะติดอยู่ในข้างใดข้างหนึ่ง เมื่อเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ข้างสุขหรือข้างทุกข์จิตเราจะเกิดเป็นความเป็นกลางสุขก็ตามเกิดขึ้นก็รู้จักทุกข์ก็ตามเกิดขึ้นก็รู้จักใ จ, จใจเราจะเป็นกลางคือมีตัวรู้อยู่แต่ก่อนนี้ถ้าเราไม่วางใจเป็นกลางสุขเกิดขึ้นเราก็คล้อยตามสุขทุกข์เกิดขึ้นเราก็หนีมันปฏิเสธมันคือไม่รู้ยอมรู้จักไม่ยอมรับมันไม่เข้าใจมันรู้เลยไม่เกิดคือไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์แต่หลงไปตามอาการแห่งความสุขและหนีอารมณ์แห่งความทุกข์ แต่เราก็หนีไม่เจอมันต้องเจอเพราะมันเป็นสิ่งที่มันมีเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อหลักธรรมต้องวางใจเป็นกลางไม่ข้อข้างตัวเองไม่ข้อข้างกิเลสไม่ข้อข้างสิ่งผลักดันหรือเครื่องปรุงแต่งจิตใจภายในตัวของเราว่าสิ่งนี้ชอบใจสิ่งนี้ไม่ชอบใจสิ่งนี้พอใจสิ่งนี้ไม่พอใจสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนี้ตํารวจหมายสิ่งต่างๆไว้รอบตัวเราสิ่งใดมันมีอยู่อย่างไรก็ควรจะปล่อยให้อยู่อย่างนั้นเราไม่ค่อยได้เข้าใจอารมใดกระทบ มันมาตามธรรมดาของมันเรียกว่าทำอารมณ์อารมณ์มาตามธรรมมันมากระทบปั๊บเกิดอะไรขึ้นในจิตเราเ่ยมันเป็นภาษาะเหมือนผัสสเราต้องผัสสะกับมันแน่นอนเกิดแล้วปั๊บเราไม่ปฏิบัติตรงเนี้ยตรงที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติมันคือเราไม่ได้วางใจเป็นกลางเราไปจับหรือว่าแล่นไปในอารมณ์ใช่อย่างโยมนิตยาบอกว่าขาดสติมันขาดไปก็รู้อยู่นะวันขาดหายไปบางทีครึ่งวันหรือเต็มวันหยุ่ถึงจะรู้สึกตัวว่าเออ ไปกับอารมณ์อีกแล้วสติขาดอีกแล้วอย่างนี้ก็คือเราไม่ได้วางใจไว้ก่อนไม่ได้ใส่ใจไว้ว่าเราจะต้องตั้งจิตเป็นการในการรับรู้อารมณ์ถ้าเราสามารถรู้อารมณ์ที่มากระทบได้ทั้งพอใจและไม่พอใจจิตเราก็จะเกิดความรู้และสั่งสมอาการแห่งรู้นั้นไว้ในจิตอยู่ตลอดอาการแห่งรู้เรียกว่าสติสติคือการระลึกรู้รู้อะไรรู้อารมณ์อัตมาจึงได้ให้ข้อความหรือว่าคำจำกัดความของคำว่าสติว่า การเข้าไปรู้อารมณ์ในจิตหรือว่าการเข้าไปเห็นอารมณ์ในจิตนั่นเองคือสติหากไม่เห็นอารมณ์ในจิตหรือไม่รู้อารมณ์ในจิตมันก็ไม่มีสติแล้วสติที่รู้อารมณ์หรือเห็นอารมณ์นั่นแหละเป็นสติธรรมชาติเป็นสติบริสุทธิ์เป็นสติที่เป็นกลางๆไม่ข้อข้างตนเองไม่ข้อข้างกิเลสไม่ข้อข้างอะไรทั้งสิ้นมันจะอยู่ในข้างของความเป็นจริงจิตเราก็จะรู้ความเป็นจริงอยู่ตลอดแต่ก่อนเคยค้อยตามอารมณ์ที่มากระทบดีบ้างไม่ดีบ้าง ต่อไปแม้อารมณ์จะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ไม่เป็นไรแต่จิตเราจะต้องรู้ที่มากระทบนั้นว่ารู้ดีบ้างรู้ไม่ดีบ้างอย่างนี้ไว้อยู่เรื่อยเมื่อสติแนบอยู่กับกจิตอย่างเต็มที่การกำหนดรู้การเกิดดับของอารมณ์ย่อมทันรู้การเกิดว่านี้อารมณ์เกิดขึ้นแล้วรู้การดับไปของอารมณ์ว่านี้อารมณ์ดับไปแล้วการรู้การเกิดดับอย่างนี้ภูมิุท่เจ้าบอกว่าเป็นปัญญาอันชาแรกกิเลสเนี่ยปัญญาเริ่มเข้ามานละ ตอนแรกก็พยายามฝึกจิตฝึกใจตัวเองให้เกิดรู้เท่าทันอารมณ์การรู้อารมณ์ได้จนกระทั่เกิดสติสติที่เกิดแล้วย่อมเห็นการเกิดดับเมื่อเห็นการเกิดดับการเกิดดับที่เห็นได้นี้จะเป็นปัญญาเพื่อชำแรละกิเลสเพราะฉะนั้นหลักวิธีการที่จะเข้าไปชำแรละกิเลสได้ก็คือต้องเห็นการเกิดดับตามหลักคําสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วหลักการนี้จริงๆแล้วอาตมาก็ไม่ใช่ว่าจะมารู้ในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว เราตามมาอ่านคําสอนของคุณปู่มั่นปูริทโตซึ่งเป็นคําสอนที่สะดุดใจมากว่าบุคคลใดก็ตามไม่ทราบชัดซึ่งการเกิดและการดับของขันทั้ง5้าบุคคลนั้นไม่สามารถที่จะเข้ามารู้สัจธรรมได้หรอกสัจธรรมย่อมไม่เปิดเผยต่อจิตใจของคนคนนั้นตรง น, นี้เองมันสะดุดใจขันห้าเรารู้แต่เราไม่เคยรู้การเกิดดับเรารู้ว่าลูกเป็นยังไงแต่ลูกเกิดดับเป็นยังไงเราไม่รู้เรารู้ว่าเบทนาเป็นตัวแสดงอาการแห่งความสุขหรือความทุกข์แต่เราไม่เคยรู้ว่า อาการเห็นความสุขหรือความทุก si ข yeah, ์นี้เกิดดับอย่างไรเรารู้เรื่องของความจําบังเกิดขึ้นในใจเราจําเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างเกิดขึ้นเรารู้ได้แต่เราไม่เคยรู้ว่ามันเกิดยังไงมันดับยังไงสังขารความคิดเรารู้ว่าความคิดเกิดคิดเล็กคิดใหญ่คิดน้อยคิดอะไรหลายๆอย่างความคิดในวุ่นวายฟุ้งซ่านในใจเรามีมากแต่เราก็ไม่เคยรู้การเกิดดับของมันวิญญาณการรับรู้เราก็ไม่เคยรู้การเกิดดับของมันมันสะดุดใจตรงนี้ หลวงู่พั่นบอกว่าหามารู้ชัดซึ่งการเกิดและการดับของขันห้าก็จะสามารถรู้จักสัจธรรมได้เอาละทีนี้จับประเด็นตรงนี้เข้ามาแล้วฝึกที่จะดูการเกิดดับของขันทั้ง5ในบรรดาขันทั้งห้านั้นจับขันใดขันหนึ่งเลือกดูอารมณ์อะไรอันหนึ่งก็ได้อย่างที่อธิบายมาว่าดูอารมณ์สุขเวทนาทุกขเวทนาพอใจไม่พอใจอย่างเนี้ยอันใดอันหนึ่งไว้แล้วทาใจไว้เป็นกลางแล้วก็รับรู้มันอยู่เรื่อยรู้สุขรู้ทุกุรู้สุขรู้ทุกมันเป็นการเท่าทัน เป็นการเข้าทางสุขกับภูตนั้นคือจะเห็นสุขกับภูตนั้นเกิดและดับเมื่อเท่าทันต่อการเกิดการดับก็จะเป็นสติสติที่รับรู้การเกิดการดับอยู่อย่างนี้เป็นปัญญาอันชําแรกกิเลสเนี่ยมันจะตามมาอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นดั่งที่รุปูมั่นบอกไว้และเป็นดั่งที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้มันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้แต่ทีนี้มันจะเกิดมาเป็นผลเพื่อชําแรกกิเลสให้กับเราได้นั้นเราจะต้องนํามาปฏิบัติ เอาอารมณ์นี่แหละเป็นเครื่องปฏิบัติจะเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องปฏิบัตินั้นมันยังไกลตัวอยู่เอาอารมณ์เนี่ยที่เราจะต้องผัสสะกับมันเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างอื่นนี่พงตัสถึงกายกับจิตแล้วก็สิ่งที่มากระทบกับกายกับจิตเนี่ยเกิดเป็นอารมณ์สุขกทุกข์ดีกับชั่วพอใจไม่พอใจพงตัสถึงตรงนี้เรื่องของผัสสะทางนั้นหรือพูดง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาดูการกระทบในจิตอะไรมากระทบในจิตเราดูอันนั้นนั่นคือจุด ของการปฏิบัติที่ของการปฏิบัติสนามลบของผู้ปฏิบัติสถานที่ของผู้ภาวนานั่นแหละตัวที่เราจะได้รู้และเข้าใจว่าสัจธรรมหรือว่าหลักธรรมนั้นเป็นอย่างไรเมื่อเราได้เข้าใจและรู้สัจธรรมสัจธรรมนั้นเปิดเผยออกมาสัจธรรมอันที่เราได้รู้แล้วเปิดเผยออกมาแล้วต่อติดต่อใจของเรานั้นจักเป็นไปเพื่อชําระกิเลสแล้วก็ชำระกิเลสได้จริงๆแทบไม่น่าเชื่อว่าหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเม้ผ่านมาแล้วสองพาร้อกว่าปี ยังตามมาชำระกิเลสของบุคคลผู้ปฏิบัติตามหลักคําสอนนั้นได้ด้วยความจริงสามารถทําระกิเลสได้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ล้าสมัยทันสมัยอยู่ตลอดการตลอดเวลานี่คือหลักคําสอนที่เป็นสัจจะความจริงเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นอดีตการคนครั้งผูพุทธการกินข้าวอิ่มคนปัจจุบันนี้ก็ต้องกินข้าวอิ่มเมื่อกินอิ่มแล้วความอิ่มนั้นก็จะรักษาตัวผู้นั้นบุคคลผู้บุญประพฤติ ท, ทําในครั้งผูพุทธการชําระกิเลสได้ ปัจจุ บ, บันนี้บุคคลผู้มุ่งพืชทำต้องชำระกิเลสได้ทําไมจะชำระไม่ได้การที่เขาพปฏิบัติทําแล้วชำระไม่ได้เพราะปฏิบัติยังไม่ถูกทำหรือปฏิบัติยังไม่ถึงธรรมหรือปฏิบัติยังไม่เข้าใจในหลักธรรมจึงปฏิบัติแบบข้างๆคู่ๆถูกผิดๆรูปๆคํำๆมันเลยทําให้เกิดความสงสัยในด้านการปฏิบัติาควรจะปฏิบัติยังไงถูกรึผิดอย่างไรเกิดความสงสัยแหละปฏิปทาอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกเนาะใช่หรือไม่ใช่เนาะอย่างนั้นอันนั้นเป็นวิจิตรฉาความสงสัยเป็นกิเลสชนิดหนึ่ง แต่เมื่อเร า, เ ร, าเราทราบหลักธรรมซึ่งเป็นกดตายตัวอยู่แล้วว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นคือส่วนนี้ส่วนชีวิตของเราเป็นส่วนแห่งชีวิตทั้งหมดที่เราได้มาตั้งแต่วันเกิดจนถึงทุกวันเนี่ยแล้วก็จะเป็นไปจนถึงวันตายคือแตกสลายจากกันส่วนส่วนนี้พระองค์ตัดสอนและเน้นย้ำมากที่สุดในคราวฟลังพุทธการที่พระองค์ทรงบอกว่าเป็นพาหุรานุศาสนี เป็นคําสอนที่พร่ำสอนเป็นคําสอนที่กล่าวสอนย้ําสอนเตือนสอนกันอยู่บ่อยๆว่าจงรู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงเป็นยังไงก็คือตามความเป็นจริงแห่งการเกิดการดับของขันหานั่นเองพงศ์จึงบอกว่าสมาธิอันบุคคลภาวนาแล้วจเจริญขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการทําลายอาสวะให้สิ้นเป็นไฉไร สมาธิที่เป็นไปเพื่อการทําอสวาให้สิ้นนั้นอย่างนี้คือบุคคลรู้เห็นการเกิดขึ้นและการเสื่อมไปของขันทั้ง5้าได้คนคนนั้นทําอยู่เนืองๆประพฤติอยู่เนืองๆปฏิบัติอยู่เนืองๆติดต่อเนื่องกันไม่ขาดสายย่อมเป็นไปเพื่อกันทำลายอสวาที่สิ้นผงใหม่เนี่ยซึ่งคำคำนี้เป็นคําเหมือนกับเป็นคําตัดไว้ตายตัวเลยว่าเราไม่สามารถปฏิบัติทําที่ไหนดี ต้องปฏิบัติลงอยู่ในตัวเรานี่เองกายกับจิตและสิ่งที่มากระทบกับตัวเราเพราะมีเราจึงมีสิ่งที่มากทบกับเราเมื่อ <ua> ไม่มีเราสิ่งที่กระทบมีอยู่ก็ไม่กระทบเราเพราะไม่มีเราอยู่เพราะฉะนั้นตัวเรามีอยู่ในสภาพที่เรียกว่ากายกับจิตนี้ตัวเราถูกสร้างขึ้นมาด้วยความเห็นผิดความเห็นผิดก็คือตัวอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้นั่นเองจึงสร้างความเป็นตัวตนให้กับตัวเรา เมื better, si so right down, ่อความเห็นผ hmm. ิดคืออวิชาสร้างความเป็นตัวตนให้กับตัวเราสิ่งใดๆก็ตามที่มากระทบเราเป็นความไม่พอใจเราจึงปกป้องตัวเราไว้การปกป้องตัวเราไว้เท่ากับเป็นการสร้างอัตตาขึ้นมาในตนเองการสร้างอัตตาขึ้นมาในตนเองมากเท่าไหร่ก็เท่ากับเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตนเองมากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะอัตตาคือตัวตนนี้เป็นผู้รับการกระทบหากไม่ปกป้องตัวเองไม่สร้างอัตตาขึ้นมาในตัวเองสิ่งใดมากระทบเราก็ไม่รักษาการกระทบอันนั้น มันก็ระทบก็กระทบไปเราจะรู้แต่อารมณ์ที่มากระทบว่ามันจะเที่ยง แ, แค่ไหนมันจะตั้งอยู่ได้นานแค่ไหนมันจะแปรปวนไปได้อย่างไรแล้วมันจะสลายตัวหรือเปล่าตามหลักคําสอนไหมพิสูจน์กันอย่างนี้ตามข้อปฏิบัติซึ่งเราจะต้องตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติโดยเจตนาที่จะเผชิญแล้วรับรู้ ร, รับทราบสิ่งที่มากระทบกับเราเองซึ่งจริงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะฉะนั้นหลักคำสอนจึงมีอยู่ว่า หากบุคคลผู้ตามรู้ตามเห็นขันทั้งห้าเกิดดับอยู่เนืองๆคนคนนั้นก็จะสามารถทําลายอสวรรให้สิน้นอารมณ์ใดเกิดขึ้นคือการเกิดขึ้นของขันห้าในจิตเรานั่นเองอารมณ์ใดดับไปคือการดับไปของขันนั้นห้าเพราะอารมณ์เกิดขึ้นเนื่องมาจากการกระทบขันถ้าไม่กระทบขันมันก็ไม่เกิดเมื่อกระทบขันปุ๊บขันก็เป็นไปตามอารมณ์คือเกิดขึ้นมาพร้อมกับอารมณ์เวลาอารมณ์ดับขันก็ดับไปพร้อมอารมณ์มันเป็นอย่างนี้ เป็นธรรมชาติเพราะนั้นเราจะเห็นขันห้าเกิดดับได้แล้วก็ต้องฝึกดูอารมณ์ที่มากับคบเราอันนี้เป็นสัจธรรมเวลาพระสารีบุตรฟังพระอสัสสชิแสดงธรรมเทศนาเพียงบทย่อๆว่าเยธรรมมาเหตุปภพวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญญญโนจัดโยนิโรโทจัดเอวังวาตีมหาสมโนมีความหมายว่าทำเราได้เกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกเหตุและความดับไปแห่งเหตุของทำทั้งหลายเหล่านั้นคือข้อความนี้เป็นข้อความที่ภาษาดิบุตรคบคิดจนเข้าใจในขณะที่ฟังบทนี้คบคิดยังไงคบคิดจนรู้ว่าสิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีเหตุเป็นแดนเกิดมันไม่ใช่เกิดขึ้นมาเป็นลอยๆเหตุเป็นอะไรนั้นเรายังไม่ต้องไปค้นหาแต่ให้รู้ว่ามันมาจากเหตุเนี่ย แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ว่าอะไรเป็นแรงเกิดของมันอะไรเป็นเหตุเกิดของมันปัญหามันอยู่ว่าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกับมันทีเนี้ยปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยเวลามันเกิดขึ้นมันเราจะทําอะไรกับมันเมื่อปัญหามันอยู่ที่ว like ่าเกิดข wow right ึ้นมาแล้วเราจะทําอะไรกับมันภาษาริบุตรก็เลยรู้ต่อไปว่าเตสังเหตุตุงตถาคตโตเตสังจะโยนิโรโทจักเอวังวัติมหาสมโนก็คือว่าเมื่อมันมาแต่เหตุเหตุใดที่มันส่งเสริมให้มันเกิด ตราบใดที่เหตุนั้นยังไม่ดับไปตัวการเกิดนั้นก็จะจะไม่ดับเมื่อเหตุนั้นดับไปไอตัวการเกิดมันก็จะดับเองอย่างเงี้ยพระสารีบุตรจึงได้รู้ว่าอ๋อเมื่อหลักธรรมชาติรามีเหตุเป็นแดนเกิดเหตุดับไอการเกิดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันที่เราเรียกจะเป็นอารมณ์ก็ไหนจะเป็นความรู้สึกก็ไหนจะเป็นสิ่งอะไรก็ตามที่เราทําการตอสนองอยู่ทุกเมื่อเชื่อว่าตั้งแต่วันเราเกิดมา สิ่งเหล่านั้นน่ะเขาเรียกว่ามันเกิดมาจากเหตุเมื่อเหตุดับการเกิดเหล่านั้นก็ดับทำเหล่านั้นก็ดับซึ่งคําว่าธรรมนั้นก็แบ่งเป็นสาประการคือกุศลธรรมอกุศลธรรมอภิญญากตรธรรมแบ่งสามเป็นสามเหล่าเช่นหากกระทบแล้วเกิดดีก็เป็นกุศลธรรมหากกระทบแล้วเกิดอันที่ไม่ดีก็เรียกเป็นอกุศลธรรมหากเกิดกระทบแล้วเกิดเป็นกลางๆงก็เป็นอภิญากตรธรรมทีนี้เมื่อทราบว่า เมื่อเหตุดับการเกิดของธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็จะดับแสดงว่าเมื่อวงทรงตรัสบอกว่าเหตุดับการเกิดของธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็ดับย่อมวงบอกไว้ตายตัวว่าเหตุนั้นเกิดมันเกิดเองและทําให้ตัวอื่นได้เกิดด้วยแล้วเหตุนั้นันดับเองแล้วก็ทําให้ตัวที่อาศัยเหตุเกิดนั้นดับด้วยคือผลจากเหตุนั้นดับด้วยย่อมมีปัญญาแทงเข้าไปลึกซึ้งนั้นกว่านั้นว่า สิ่งใดก็ตามเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องดับด้วยตัวของมันเองนะพูดง่ายๆคือท่านจะมาประมวลมาให้ง่ายๆนะมันมีเหตุมาจากไหนก็ตามเหตุที่เกิดขึ้นมาแม้แต่ตัวเหตุเองก็มีเที่ยนมันต้องดับไปเมื่อตัวเหตุ ด, ดับไปผลของมันก็จะดับเมื่อผลของมันดับก็แสดงว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเลยเรามีเพียงแต่ตั้งสติขึ้นมาและสังเกต ด, ดูการเกิดและการดับของสิ่งนั้นๆเท่านั้น ตรงนี้นี่เองพระสาราีบุตรจึงกำหนดดูสภาพธรรมเห่งความเป็นจริงในเวลานั้นปัญญาของท่านเฉียบแหลมมากจึงแทงทะลุกิเลสและสกายยติทิวิจิกิชฌาสีละพตปรามาเป็นพระโสดาบันในเวลาที่ฟังบทธรรมบทนี้จึงได้เกิดความรู้ความเห็นถูกต้องตามหลักธรรมชาติอันเป็นอารมณ์แห่งพระโสดาบันขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดาตรงนี้นี่เอง แสดงว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บังเกิดขึ้นกับเรามันมาเป็นธรรมดาเข้ามาดีก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาไม่ดีก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาข้อเสียของเราอยู่อย่างเวลาที่มันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยให้มันดับไปเป็นธรรมดาข้อเสียของเราคือเราไปจะทําตอบต่อมันเนี่ยเราไม่ได้วางใจเป็นกลางใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาตั้งกิตเป็นกลางไว้ฝึกสติดูเอามันเกิดมาเป็นธรรมดา มันต้องดับเป็นธรรมราได้เมื่อมันดับไปเป็นธรรมราได้เราเพียงแค่เฝ้าเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติอันนั้นให้เห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาเราและชัดเจนกานรปฏิบัติธรรมทั้งมวลสำคัญที่สุดคือต้องเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตนตรงนี้แหละคือสำคัญมากต้องเห็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตนแล้วยอมรับมันให้ได้ในขณะนั้นเวลานั้นเป็นปัจจุบันธรรมเมื่อยอมรับได้ขณะนั้นในเวลานั้นได้แน่นอนว่า ครั้งแรกเมื่อยอมรับได้แล้วครั้งต่อไปมันจะมีสติในการที่จะยอมรับการกระทบอีกแม้ในใจลึกเราจะไม่อยากจะเผชิญกับมันในสิ่งที่เราไม่ชอบใจแต่โดยสตินั้นก็จะบอกว่าเอา้ามันมาเป็นธรรมดามันก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาเพราะมันรู้ประจักษ์ชัดในครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปมันก็จะพยายามรู้อีกต่อไปมันจะรู้อีกต่อไปก็จะรู้อีกจนกลายเป็นว่าอารมณ์ที่มากระทบเรานั่นเองเป็นเครื่องมือฝึกหัดภาวนาทางจิตทางใจเรา เพราะฉะนั้นในหลักของการปฏิบัตินี้เราจะต้องไม่ปฏิเสธอารมณ์ใดๆที่มากระทบจิตบางคนก็บอกว่าบางครัง้งบางคราวนะพระอาจารย์จิตมันตั้งตัวไม่ตันตั้งสติไม่ทันมันไม่สงบเพียงพอที่จะรอรับอารมณ์เหล่านี้มันต้องไปทําให้สงบก่อนอถ้าไปทําให้มันสงบก่อนก็เท่ากับว่ากินยาให้หายป่วยก่อนแล้วค่อยไปหาหมออย่างนี้แหละแล้วมันจะไปหาหมอทำไมตอนนั้นถ้ามันสงบแล้วเนี่ยใช่ไหมคือ มันจะต้องรับรู้กันไปพุทธเจ้าบอกว่าให้เผชิญกับมันตรงๆต่อหน้าต่อตาเราเนี่นยไม่ต้องไปทําสบบไม่ต้องไปหลับตามไม่ต้องไปปงป้องตนเองนะไม่ว่าอุบายคนวิธีใดๆก็ตามการเฝ้าสังเกตดูอารมณ์ที่มากระทบเรานั่นเป็นสมถะแล้วคือสงบใจตัวเองให้ดูการกระทบในเวลานั้นให้ได้นั่นคือความจริงเป็นสมถะการเห็นการเกิดดับนั้นเป็นวิปัสนาธรรมะของพุทธเจ้าทั้งหมด แท้ที่จริงแล้วสอนให้ตัวของเราเข้าใจตัวของเราถ้าเราไม่เข้าใจตัวของเราเราก็ต้ well. องเกิดอีกเพื่อมาทําความเข้าใจของเราเกิดมาแล้วหากไม่มาทําความเข้าใจในตัวของเราอีกก็ต้องเกิดอีกเพื่อทำความเข้าใจของเราทําไมเราจะต้องมาทําความเข้าใจในตัวของเราเพราะเราไม่เคยเข้าใจตัวเองแน่นอนเรารู้ว่าเราจะไปไหนวันนี้ไปโน่นไปนี่เรารู้เมื่อวานนี้เราทําอะไรเรารู้แต่เราไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาเกิดเราเป็นอะไรมา แล้วตายไปแล้วเราจะไปไหนเคยรู้ไหมไม่รู้แต่นี่พระเจ้าสอนให้เรารู้พระพู้ได้เจ้าพระอรีเจ้าท่านรู้ตายแล้วท่านจะไปไหนท่านรู้ปรินิพพานแล้วจะไปไหนท่านรู้เมื่อท่านรู้เนี่ยความรู้เหล่านี้จึงทําลายความไม่รู้ทั้งมวลเมื่อทําลายความไม่รู้ได้ท่านก็เลยได้ทราบกฎแห่งสัจธรรมความเป็นจริงท่านก็เลยเป็นผู้ไม่มีทุกข์ทั้งทั้งที่ความทุกข์ทางขันมันมีอยู่ความทุกข์ทางรูปขันของท่านก็ยังมี ความทุกข์ของเวทนาขันของท่านก็ยังมีความทุกข์ของสัญญาสังขารวิญญาณขันของท่านก็ยังมีแต่ท่านไม่ทุกข์กับความทุกข์ที่มันมีอยู่เพราะอะไรเพราะทุกข์มีอยู่สองประเภททุกข์ประเภทแรกคือทุกข์แท้ทุกข์ประเภทที่2อเรียกว่าทุกข์เที่ยวทุกข์แท้คือทุกข์ทำรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ปฏิเสธไม่ได้หิวก็ต้องให้กินร้อนก็ต้องอาบน้ำหนาวก็ต้องห่มผ้าง่วงก็ต้องนอนอันนี้เป็นความทุกข์แท้ปฏิเสธไม่ได้ ทุกเทียมคือทุกที่เกิดจากตัณหาอันนี้เป็นทุกไม่จริงเป็นทุกเทียมทุกที่ทําให้เราติดอยู่คล่องอยู่หลงอยู่ทุกที่เกิดจากตัณหาเนี่ยพวกบอกละมันทุกแท้ห้ามละยอมรับทุกเทียมนี้ต้องละมันเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ของจริงเรามีความทุกข์เพราะสมุทัยหรือตัณหาเนี่ยทั้งชีวิตเราทุกข์เพราะสิ่งเนี้มันเลยทําให้เราจะต้องมาพูดปฏิบัติธรรมเพราะอะไรเพราะเราอยากจะปลดทุกข์ เมื่อเราอยากจะพ้นทุกเราก็ต้องมาฝึกดูฝึกอะไรฝึกดูการเกิดการนับการเกิดการดับอย่างนี้ไปเรื่อยๆหนึ่งยอมรับทุกข์การฝึกดูการเกิดดับได้คือการยอมรับทุกข์ลักสมุทยัยทํานิโรธให้แจ้งแล้วก็เป็นการเจริญมรรคมรร์เมื่อเจริญบริวุณ์เต็มที่แล้วมันก็จะทําลายอสวกิเลสเองเพราะมรร์เป็นตัวทำลายอสวกิเลสหรือว่ามรร์มีข้อกํากับอยู่ว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อทําลายทุกข์หรือว่าข้อปฏิบัติเพื่อเข้าไปดับทุกข์ มัดมันเต็มมันก็จะดับทุกเองอัตโนมัติมันเป็นอย่างนี้หลักปฏิบททัติขอคือของเราก็คือให้เราสร้างเหตุสร้างข้อปฏิบัติให้มันตรงกับสิ่งที่จะไปแก้ในความจริงของมันถ้าเราสร้างไม้ตรงกับเหตุจุดที่เราจะต้องแก้มันก็ไม่สามารถที่จะพลาดได้แล้วก็เราก็จะหลงวนอยู่การปฏิบัติอยู่เกิดอีกแล้วก็ต้องมาแสวงหาทางปฏิบัติอีกอยู่นั่นแหละ ทั้งที่คำสอนพระพุทธเจ้าที่ชี้ทางแห่งการปฏิบัติก็งก็ทรงตรัสไว้ชัดเจนแล้วทีนี้ถ้าเราได้รู้และเข้าใจสัจธรรมอยู่ตรงนี้เราก็จะทราบว่าสัจธรรมนั้นคุ้มครองรักษาเราไม่ให้ตกไปนิรันดร์ช่วยได้อย่างไรเราจะไม่ช่วยอีกไม่ปล่อยให้จิตลงไปตามอารมณ์ทั้งดีและไม่ดีในโลกนี้อีกอารมณ์ดีก็เป็นพิษอย่างหนึ่งอารมณ์ไม่ดีก็เป็นพิษอย่างหนึ่งอารมณ์ไม่ดีเป็นพิษอย่างไรเป็นพิษคือทําให้เราไม่ชอบใจ อารมณ์ดีทําให้เราเป็นพิษอย่างไรเป็นพิษโดยทําให้เราติดใจอยู่การติดใจอยู่ก็คือการหนีมิพ้นนั่นเองการหนีมิพ้นก็คือยังถูกครอบนาด้วยอารมณ์บางสิ่งบางอย่างซึ่งเราจะต้องกระทําสิ่งต่างๆเพื่อตอบสนองอารมณ์ชนิดนั้นอยู่ไม่หยุดไม่หยอ่อนมันจบไม่เป็นพระเจ้าจึงบอกว่ามันเป็นพิษทั้งสองด้านแต่เราก็ต้องยึดทางอารมณ์ดีไว้ก่อนเพื่อแก้ไขอารมณ์ที่มันไม่ดีสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งมันด้วยปัญญาของเราเพราะเราทราบชัด การเกิดการดับของอารมณ์ทั้งสองอย่างคุยาใช้คาว่าอิฐธารมอนิฐธารมจะต้องมีปัญญาอยู่เหนืออารมณ์เหล่านี้ให้ได้ก็ขอฝากโยมชาวกับโยมนิตยานำไปสู่การปฏิบัตินั่นำไปสู่ผลเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาใโอกาสนี้จะมาขออำนวยอวยพรขออำนาจรอพูดระทาขอสง จงบันดาลบุญกุศลที่เกิดการจากการแสดงธรรมและบุญกุศลที่เกิดจากการฟังธรรมขอบุญเหล่านี้จงรวมกันเป็นมหมานแตเดชานุภาพเอานวยเอาความตอสนองให้โยมประสบความสุขความเจริญจเจริญสุขสวัสดีจเจริญศีจเจริญชนจเจริญสุขจเจริญผลจเจริญธรรมเสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศ่นิราชโรคนิราชไทยประสบสรรพสิ่งใดจงสุพสมในสิ่งนั้นทุกประการเธอ